ไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยเล่มที่สามสิบสี่พระอภิธรรมปิฎกเล่มที่หนึ่งธรรมสังคณีพระอภิธรรมปิฎกธรรมสังคณี ขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมาติ ก, ก, า, ต ก, ก า, าติกกะมาติกายี่สิบสองเติกกะหนึ่งกุศลติกกะหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลสภาวธรรมที่เป็นอกุศลสภาวธรรมที่เป็นอัพยกริศสองเวทนาเติกะสองสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนา สภาวะธรรมที่สัมปะยุทธ์ด้วยทุกขเวทนาสภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยอทุกขมสุขเวทนาสวิปากติกะสสภาวะธรรมที่เป็นวิบากสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากสอุปาทินติกะสสภาวะธรรมที่ก ร, รมอันประกอบด้วยตัณหาทิฏฐิยึดถือ และเป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาใดะทิฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาทิฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 5. าสังกิเลทะถึกะหสภาวะธรรมที่กิเลทำให้เศร้ามองและเป็นอารมณ์ของกิเล ugly. สภาวะธรรมที่กิเลไม่ทำให้เศร้ามอง แต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส 6. วิตกะติกะ6สภาวะธรรมที่มีทั้งวิตกและวิจารณ์สภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์สภาวะธรรมที่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์7ปีติติกะ7สภาวะธรรมที่สหระโคด้วยปีติ สภาวะธรรมที่สหรคตด้วยสุขสภาวะธรรมที่สหรคตด้วยอุเบกขาแปทัศนติตะกะปสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมักเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามเก้าทัศนเฮตุติตะกะเก้า สภาวธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมัคเบื้องบนสามสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัคและมัคเบื้องบนสามสิอาจยะคามิติกะสิสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิและจุติสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้ถึงนิพพาน สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้ถึงปฏิสนธิจุติและนิพพานสิเอ็ดเศษฐาปิกะสิอสภาวธรรมที่เป็นของเศขับุคคลสภาวธรรมที่เป็นของอเศขับุคคลสภาวธรรมที่ไม่เป็นของเศขับุคคลและอเศขับุคคล 12. ปริตติกะ12สภาวธรรมที่เป็นปริต สภาวะธรรมที่เป็นมหากตะสภาวะธรรมที่เป็นอปปมานะโลกุตระ 13. ปริตารมณติกะ 13. สภาวะธรรมที่มีปริตะกามวจรเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีมหากตะรูปาวจรอรูปาวจรเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีอปปมานะโลกุตระเป็นอารมณ์14 สนาติกะสิบสภาวธรรมชั้นต่ำสภาวธรรมชั้นกลางสภาวธรรมชั้นประณีสิบห้ามิจฉาติกะสิหสภาวธรรมที่มีสภาวะผิดและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่มีสภาวะชอบและให้ผลแน่นอนสภาวธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้นสิบห มัคคารมณติกะสิบหกสภาวะธรรมที่มีมัคเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่ม <im> ีม <im> ัคเป็นเหตุสภาวะธรรมที่ม <t is expensive> ีม <sh> <ath illegal S 2> ัคเป็นอธิปดีสิบเจ็ดปุปันนาติกะสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่ยังไม่เกิดขึ้นสภาวะธรรมที่จะเกิดขึ้นแน่นอนสิบแปดอตีตติกะสิบแปด สภาวะธรรมที่เป็นอดีตสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันสิบเกอดีตารมณติกะสิเกสภาวะธรรมที่มีอดีตธรรมเป็นอารมณ์สภาวะธรรมที่มีอนาคตรธรรมเป็นอารมณ์ 20. สภาวะธรรมที่มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์ยี่สิบสภาวะธรรมที่เป็นภายในตน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 สภาวะธรรมที่เห็นได้และกระทบได้สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้แต่กระทบได้สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ติกะมาติกะยี่สิบสองตตะจบทุกะมาติกะหนึ่งร้อยทุกะหนึ่งเหตุโคจกะหนึ่งเหตุทุกะหนึ่งสภาวะธรรมที่เป็นเหตุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุ สเหตุุกะทุกกะ 2. สภาวธรรมที่มีเหตุสภาวธรรมที่ไม่มีเหตุ 3. เหตุสัมปยุตตทุกกะ 3. สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุสภาวธรรมที่วิปยุตจากเหตุ 4. เหตุเสหตุกะทุกกะ 4. สภาวธรรมที่เป็นเหตุและมีเหตุสภาวธรรมที่มีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ ห้าเหตุเหตุสัมปยุตตทุกกะห้าสภาวะธรรมที่เป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุหกนัเหตุเสเหตุกะทุกกะหกสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุและไม่มีเหตุเหตุโคจกะจกสอง จุลันตะทุกกะหนึ่งสัพพัญญทุกกะ7สภาวธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งสภาวธรรมที่ไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสองสังฆตะทุกกะ 8- สภาวธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง 3. สภาวธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสานิทัศณะทุกกะเ้าสภาวธรรมที่เห็นได้ สภาวะธรรมที่เห็นไม่ได้สสัพติค้าทุกกะสสภาวะธรรมที่กระทบได้สภาวะธรรมที่กระทบไม่ได้หรูปีทุกกะสิบอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นรูปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นรูห 6. โลขิยะทุกกะส2สองสภาวะธรรมที่เป็นโลขิยะสภาวะธรรมที่เป็นโลกุตระ เจเนจิวินเยยะทุกละสิบสาสภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ได้สภาวธรรมที่จิตบางดวงรู้ไม่ได้จูลันตระทุกละจบสอารสาวโคจกะหนึ่งอารสาวทุกกะสิบสสภาวธรรมที่เป็นอารสาวสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารสาวสองสาสาวทุกละ 15. สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ 3. อาสวะสัมปยุตตทุกกะ 16. สภาวธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยอาสวะสภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะ 4. อาสวะสาสวะทุกกะ17สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 5. าอาสวะอาสวะสัมปยุตตะทุกกะ 18. สภาวธรรมที่เป็นอาสวะและสัมปยุตด้วยอาสวะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ 6. อาสวะวิปยุตตะสาสวะทุกกะ 19. สภาวธรรมที่วิปยุตจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ สภาวะธรรมที่วิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาสวะโคจกะจบสี่สัญญยชนะโคจกะหนึ่งสัญญยชนะทุกะยี่สิบ สภาวะที่เป็นสังโยชน์สภาวะที่ไม่เป็นสังโยชน์สองสัญโยชนิยทุกกะยี่สิเอ็ดสภาวะที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวะที่ไม่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์สสัญโยชนะสัมปยุตตาทุกกะยี่สิบสองสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์สภาวะธรรมที่วิปยุตจากสังโยชน์สี่ สัญโยชนะสัญโยชนิยทุกกะ23สภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และเป็นอารมณ์ของสังโยชน์สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์หสัญโยชนะสัญโยชนะสัมปยุตตทุกกะ24สสภาวธรรมที่เป็นสังโยชน์และสัมปยุตด้วยสังโยชน์สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยสังโยชน์แต่ไม่เป็นสังโยชน์ หสัญโยชนะวิปยุตตะสัญโยชนิยทุกกะยีสิหสภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยต์แต่เป็นอารมณ์ของสังโยต์สภาวธรรมที่วิปยุจจากสังโยต์และไม่เป็นอารมณ์ของสังโยตสัญโยชนะโคจกะจบ5คันถโคจกะหนึ่งคันถะทุกกะยีสิหสภาวธรรมที่เป็นคันธะ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นคันทะสองคันทะนิยทุกละยีสิบเสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของคันทะสาคันทะสัมปยุตตทุกละยีสิบแสภาวะธรรมที่สัมปยุต ด, ด้วยคันทะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากคันทะสี 4. คันทะคันทะนิยทุกละ ยี่ส้าสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและเป็นอารมณ์ของคันทะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของคันทะแต่ไม่เป็นคันทะห้คันทะคันทะสัมปยุตตทุกกะสาสิสภาวะธรรมที่เป็นคันทะและสัมปยุตด้วยคันทะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยคันทะแต่ไม่เป็นคันทะหกคันทะวิปยุตตะคันทะนิยทุกกะสาสิบเอด สภาวะธรรมที่วิปยุจจากคันทะแต่เป็นอารมณ์ของคันทะสภาวะธรรมที่วิปยุจจากคันทะและไม่เป็นอารมณ์ของคันทะคันทะโคจกะจบห โ, โ, โ, โอคโคจกะหนึ่งโอคทุกกะสามสิบสองสภาวะธรรมที่เป็นโอคะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นโอคะสองโอคะนิยทุกกะสามสิบสาม สภาวะธรรมท e ี a a ่เป็นอารมณ์ของโอคะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโอคะสโอคะสัมปยุตตทุกกะสาสิบสสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยโอคะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากโอคะสี่โอคะโอคะนิยทุกกะสามสิบห้าสภาวะธรรมที่เป็นโอคะและเป็นอารมณ์ของโอคะ สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของโอคะแต่ไม่เป็นโอคะหโอคะโอคะสัมปยุตตทุกกะสาสหสภาวะธรรมที่เป็นโอคะและสัมปยุตด้วยโอคะสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยโอคะแต่ไม่เป็นโอคะหโอควิปยุตตโอคานิยทุกกะสาสิบเจสภาวะธรรมที่วิปยุตจากโอคะแต่เป็นอารมณ์ของโอคะ สภาวธรรมที่วิปยุย์จากโอคะและไม่เป็นอารมณ์ของโอคะโอคะโคจกะจบเจ็ดโยคะโคจกะหนึ่งโยคะทุกกะสาสิบแปสภาวธรรมที่เป็นโยคะสภาวธรรมที่ไม่เป็นโยคะ2โยคะนิยทุกกะสาสิบเก้าสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะ สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของโยคะสามโยคะสัมปยุตตะทุกกะสี่สภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะสภาวะธรรมที่วิปยุตจากโยคะสี่โยคะโยคะนิยัุกกะสี่สิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นโยคะและเป็นอารมณ์ของโยคะสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของโยคะแต่ไม่เป็นโยคะห้า โยคะโยคะสัมปยุตตทุกกะสี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นโยคะและสัมปยุตด้วยโยคะสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยโยคะแต่ไม่เป็นโยคะ 6. โยควิปยุตตโยคนิยะทุกกะสี่ Gift, iba, สิบสาสภาวธรรมที่วิปยุตจากโยคะแต่เป so ็นอารมณ์ของโยคะสภาวธรรมที <im <im ่วิปยุตจากโยคะและไม่เป็นอารมณ์ของโยคะ โยคโคจกะจบแปนิวรณะโคจกะหนึ่งนิวรณะทุกกะสี่สิบสี่สภาวะ ธ, ธรรมที่เป็นนิวรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นนิวรณสอง น, นิวรณิยะทุกกะสี่สิบห้าสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณสนิวรณะสัมปยุตตทุกกะ สี่สิบหกสภาวธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวร์สภาวธรรมที่วิปยุทธ์จากนิวรณ์สี่นิวรณะนิ ว, ร ณ, วรณิยทุกกะสี่สิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นนิวรและเป็นอารมณ์ของนิวรสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของนิวรแต่ไม่เป็นนิวรณห้านิวรณะนิวรณะสัมปยุทธตทุกกะสี่สิบแปด สภาวะธรรมที่เป็นนิวรณ์และสัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยนิวรณ์แต่ไม่เป็นนิวรณ์หกนิวรณะวิปยุตตะนิวรณียทุกกะสี่สิบเก้าสภาวะธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์แต่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์สภาวะธรรมที่วิปยุตจากนิวรณ์และไม่เป็นอารมณ์ของนิวรณ์นิวรณะโคจกะจบเก้า ปรมาสัทโคจกะหนึ่งปรามาสัทุกกะห้าสิบสภาวธรรมที่เป็นปราม า, มาก 51. สภาวธรรมที่ไม่เป็นปรามากสองปรามัตถทุกกะห้าสิบเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามากสภาวธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของปรามากสาปรามา ส, สัมพยุตตทุกกะห้าสิบสอง สภาวะธรรมที่สัมปยุทธ์ด้วยปรามาสสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากปรามาสสปรามาสปรมัทุกกะห้าสิบสาสภาวะธรรมที่เป็นปรามาสและเป็นอารมณ์ของปรามาสสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของปรามาสแต่ไม่เป็นปรามาสหปรามาสวิปยุทธะปรมัทธุกกะห้าสิบสสภาวะธรรมที่วิปยุทธจากปรามาส แต่เป็นอารมณ์ของปรารมาสสภาวะธรรมที่วิปยุจจากปรารมาสและไม่เป็นอารมณ์ของปร า, มาปรมาสปามาสโคจกะจบส0มหานตระทุกกะหนึ่งสารมณนทุกกะห้าสิบหสภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ได้สภาวะธรรมที่รับรู้อารมณ์ไม่ได้ 2. จิตต์ทุกกะหาหสภาวะธรรมที่เป็นจิต สภาวะธรรมที่ไม่เป็นจิตสเจตสิกะทุกกะห้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเจตสิ ก, ส, ก 58. สภาวะธรรมที่ไม่เป็นเจตสิกสี่จิตตสัมปยุตตะทุกกะห้าสิบแปสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยจิตสภาวะธรรมที่วิปยุตจากจิตหจิตตสังสัททุกกะห้าสิบเสภาวะธรรมที่ระคนกับจิต สภาวะธรรมที่มีระคนกับจิตห <iri> จิตตสมุทฐานาทุกกะหกสิบสภาวะธรรมที่มีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่มีจิตเป็นสมุทฐานเจจิตตสหภูทุกกะหกสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เกิดพร้อมกับจิตสภาวะธรรมที่ไม่เกิดพร้อมกับจิต 8. จิตานุปริวัติทุกกะหกสิบสอง สภาวะธรรมที่เป็นไปตามจิต <Notes. S 1> สภาวะธรรมที่ไม่เป็นไปตามจิตเก้าจิตตะสังสัทธสมุทฐานทุกกะหกสบสาสภาวะธรรมที่ราคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสภาวะธรรมที่ไม่ราคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสิจิตตสังสัทธสมุทฐานสหภูทุกกะหกสิบสสภาวะธรรมที่ราคนกับจิต มีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสภาวะธรรมที่นม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสิบเอ็ดจิตตสังสัทธสมุทฐานานุปริวัติทุกกะหกสิบห้าสภาวะธรรมที่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิตสภาวะธรรมที่นม่ระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเป็นไปตามจิต สิองชาติกะทุกะกสิ6หสภาวะธรรมที่เป็นภายในสภาวะธรรมที่เป็นภายนอกสิบสาอุปาทาทุกะกส67สภาวะธรรมที่เป็นอุปาทายรูปสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทายรูป14อุปาทินนทุกะกส68สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึด ถ, ถือ สภาวะธรรมที่กรรมอันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือมหาตราทุกกะจบ11อุปาทานโคจกะ1อุปาทานทุกกะ69สภาวะธรรมท <truth>. 有有ี่เป็นอุปาทานสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอุปาทาน2อุปาทานิยทุกกะ70สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน สภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน 3. อุปาทานะสัมปยุตตทุกกะเจสิบเอดสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุตจากอุปาทาน 4. อุปาทานะอุปาทานิยะทุกขะเจดสบสสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทาน สภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานหอุปาทานะอุปาทานสัมปยุตตทุกกะเจ็ดสิบสาสภาวะธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทาน6อุปาทานวิปยุตตอุปาทานิยะทุกกะเจ็ดสิบสี่ สภาวะธรรมที่วิปยุติแจกอุปาทานแต่เป็นอารมณ er so, so, well, ์ของอุปาทานสภาวะธรรมที่วิปยุติแจกอุปาทานและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอุปาทานะโคจกะจบสิองกิเลสโคจกะหนึ่งกิเลสะทุกกะเจสหสภาวะที่เป็นกิเลสสภาวะที่ไม่เป็นกิเลส2สังกิเลสิกะทุกกะ เจสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสสาสังกิเลตทุกะเจ็ดสิบเจดสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เจ้ามองสภาวะธรรมที่กิเลสไม่ทำให้เศร้ามองสกิเลสสัมปยุตตทุกะเจ็ดสิบแปดสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุตจากกิเลส ห้ากิเลสสังกิเลสิกทุกกะเจ็สิบเก้าสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและเป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลสหกกิเลสสังกิลิทธะทุกกะแปดสิบสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและกิเลสทำให้เศร้าหมองสภาวะธรรมที่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่ไม่เป็นกิเลสเจ็ด กิเลสะกิเลสะสัมปยุตตทุกกะแปสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่เป็นกิเลสและสัมปยุตด้วยกิเลสสภาวะธรรมที่สัมปยุตด้วยกิเลสแต่ไม่เป็นกิเลส8กิเลสสวิปยุตตะสังกิเลสิกะทุกกะแปดสิบสองสภาวะธรรมที่วิปยุตจากกิเลสแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสภาวะธรรมที่วิปยุตจากกิเลสและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส กิเลสโคจกะจบสิบสามเปติทุกกะหนึ่งทัศเนนะปะหาตัปพาทุกกะแปดสิบสามสภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสองภาวนาญาปะหาตัปพาทุกกะแปดสิบสี่สภาวะธรรมที่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม สภาวะธรรมที่ไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามสามทัศเนนะประหาตัพระเหตุทุกกะแปดสิบห้าสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักสีภาวนายะประหาตัพระเหตุทุกกะแปสิบหกสภาวะธรรมที่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสาม สภาวะธรรมที่ไม่มีเหตุต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบนสามหสวิตกะทุกะแปดสิบเจดสภาวะธรรมที่มีวิตกสภาวะธรรมที่ไม่มีวิตกหสวิจาระทุกะแปสิบปสภาวะธรรมที่มีวิจารสภาวะธรรมที่ไม่มีวิจารเจสปิติกะทุกะแปสิบสภาวะธรรมที่มีปิติ สภาวะธรรมที่ไม่มีปีติแปดปิติสหคตะทุกกะเก้าสิบสภาวะธรรมที่สหรโคตด้วยปีติ 9, ส, ส, ตกก 91, สภาวะธรรมที่ไม่สหรโคตด้วยปีติเกสุขสหคตะทุกกะเก้าสิบเอ็ดสภาวะธรรมที่สหรโคตด้วยสุขสภาวะธรรมที่ไม่สหรโคตด้วยสุขสิบอุเบขาสหคตะทุกกะ เกสองสภาวธรรมที่สหรโครด้วยอุเบกขาสภาวธรรมที่ไม่สหรโครด้วยอุเบกขาสิบอ็ดกามา ว, วจระทุกกะเกสาสภาวธรรมที่เป็นกามาวจรสภาวธรรมที่มีเป็นกลามาวจรสิบสองรูปาวจระทุกกะเกสบสสภาวธรรมที่เป็นรูปาวจร สภาวธรรมที่ไม่เป็นรูปาวจรสิบสามอรูปาวจรทุกกะเก้าสิห้าสภาวธรรมที่เป็นอรูปาวจรสภาวธรรมที่ไม่เป็นอรูปาวจรสิบสี่ปริยาปนัตทุกกะเก้าสิบหกสภาวธรรมที่นับหนึ่งในวัตทุกขโลคียะสภาวธรรมที่ไม่นับหนึ่งในวัตทุกข์โลกุตระ สิบห้านิญาเนิกะทุกกะเก้าสิบเจ็ดสภาวะธรรมที่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุกขสภาวะธรรมที่ไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตทุสิบหกนิยตทุกกะเก้าสิบแปดสภาวะธรรมที่ให้ผลแน่นอนสภาวะธรรมที่ไม่แน่นอนโดยอาการทั้งสองนั้น 17. สิบเจ็ดสัจุตระทุกกะเก้าสิบเก้า สภาวธรรมที่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสภาวธรรมที่ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่าสิบแปดสารณทุกละหนึ่งร้อยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้สภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้ปิติทุกละจบอภิธรรมทุกละมาติกาจบ ตันติกะทุกกะมาติกาสี่สิบสองทุกกะหนึ่งวิชาภาคีทุกกะหนึ่งร้อยหนึ่งธรรมที่มีส่วนแห่งวิชาธรรมที่มีส่วนแห่งอวิชาสองวิชูปะมะทุกกะหนึ่งร้ยสองธรรมที่เปรียบเหมือนสายฟ้าธรรมที่เปรียบเหมือนฟ้าผ่าสามาลทุกกะหนึ่งร้อยสามธรรมที่ทำให้เป็นพาน ธรรมที่ทำให้เป็นบัณฑิตสการหาทุกกะหนึ่งร้อยสี่ธรรมที่ดำธรรมที่ขาวห้าตปนิยทุกกะหนึ่งร้อยห้าธรรมที่ทาให้เร่าร้อนธรรมที่ไม่ทาให้เร่าร้อนหกอธิวจนะทุกกะหนึ่งร้อยหกธรรมที่เป็นชื่อสัทธบัญญัติธรรมที่เป็นเหตุแห่งชื่อเจ็ด นิรุตติทุกกะหนึ่งร้อยเจ็ดธรรมที่เป็นนิรุตติสัทธบัญญัติธรรมที่เป็นเหตุแห่งนิรุตติแปบัญญัติทุกกะหนึ่งร้อยแปดธรรมที่เป็นบัญญัติธรรมที่เป็นเหตุแห่งบัญญัติเก้านามรูปะทุกกะหนึ่งร้อยเก้านามรูปสิบอวิชชาทุกกะหนึ่งร้อยสิบความไม่รู้ ความปรารถนาพบ 11. ภาวะทิฏฐุกกะ 111. ความเห็นว่าเกิดความเห็นว่าไม่เกิด 12. สัสถะทิฏฐุกกะ 112. ความเห็นว่าเที่ยงความเห็นว่าขาดศูนย์ 13. อันตวาทิฏฐุกกะ 113. ความเห็นว่ามีที่สุดความเห็นว่าไม่มีที่สุด สิ่ปูพันตานุทิฏฐิทุกกะหนึ่งสิบสความเห็นปรารภส่วนอดีตความเห็นปรารภส่วนอนาคตสิหอหิริกาทุกกะหนึ่งสิบหความไม่ละอายบาปความไม่เกรงกลัวบาป16หิรีทุกกะหนึ่งสิบความละอายความเกรงกลัว17โทวัจจสตาทุกกะ หนึเจความเป็นผู้ว่ายากความเป็นผู้มีมิจชั่ว18โสวาจัสตาทุกกะหนึ่งสิบแความเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้มีมิตดดีสิบเาอปัติกุชลตาทุกกะหนึ่งร้ความเป็นผู้ฉลาดในอาบัตความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากอาบัตยี่สสมาปัติกุชลตาทุ ก, กะ หนึยสความเป็นผู้ฉลาดในสมาบัติความเป็นผู้ฉลาดในการออกจากสมาบัติยี 21, ่สิบเอ็ดธาตุกุศลตาทุกกะหนึ่งอยี่สิบเอ็ดความเป็นผู้ฉลาดในธาตุความเป็นผู้ฉลาดในมนุิยการยี่สิบสองอายตนะกุศลตาทุกะหนึ่งอยี่สิบสองความเป็นผู้ฉลาดในอายตนะ ความเป็นผู้ฉลาดในปฏิจจสมุปบาทยี่สิสาฐานะกุศลตาทุกกะหนึ่งอยี่สสาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะความเป็นผู้ฉลาดในอฐานาะยี่สิบสอาชวะทุกกะหนึ่งอยี่สิสี่ความซื่อตรงความอ่อนโยนยี่สิห้าขันติทุกกะหนึ่งอยี่ห้าขันติโสระจะ 26. สาขันระยะทุกกะยความเป็นผู้มีวาจาอ่อนหวานการปฏิสันฐาน 27. อินเทริเยสุอคุตตะทวารตาทุกกะหนึยความเป็นผู้ไม่สำรวมทวารในอินทรีทั้งหลายความเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในการบริโภค28อินเทริเยสุคุตตะทวารตาทุกกะ 128. สความเป็นผู้สำรวมทาวารในอินทรีย์ทั้งหลายความเป็นผู้รู้จักประมาณในการบริโภค 29. มุทธสัจจะทุกกะหนึ่งยี่ความเป็นผู้มีสติหลงลืมความเป็นผู้ไม่มีสัมปชัญญะ 30. สติสัมปชัญญะทุกกะหนึ่งสสติสัมปชัญญะส1เอ ปฏิสังขารภะทุกกะหนึ่งร้ยสาสิบเอ็ดกำลังเือการพิจารณากำลังเทอภาวนาสาสสองสมถวิปัสนาทุกกะหนึ่งรยสามสิบสองสมถวิปัสนาสาสิบสามสมถนิมิตทุกกะหนึ่งร้ยสามสิบสามนิมิตแห่งสมถะนิมิตแห่งความเพียรสาสิบสปคาหะทุกกะ 134. สาสิบสี่ความเพียรความไม่ฟุ้งซ่าน 35. สามสิบห้าีและวิปัติทุกกะหนึ่ง้อยสามสิบห้าความวิปัดแห่งศีลความวิปัดแห่งทิฏฐิ 36. สามสิหกีและสัมปทาทุกกะหนึ่งร้อยสามสิบหกความสมบูรณ์แห่งศีลความสมบูรณ์แห่งทิฏฐิ 37. สาสิบเจ็ีและวิสุธทธิทุกกะหนึ่งร้อยสาสิบเจ็ด ความหมดจดแห่งศีลความหมดจดแห่งทิฏฐิสามสิบปดทิฏฐิวิสุธทธิโขปณทุกกะหนึ่งร้อยสามสิบแปดความหมดจดแห่งทิฏฐิความเพียรของบุคคลผู้มีความเห็นหมดจดสามสิบเก้าสังเวชนียฐานะทุกกะหนึ่งร้อยสามสิบเก้าความสังเวชในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความสลดใจ ความเพียรโดยแยบคลายของบุคคลผู้สลดใจ40อาฉันตุติตากุศลธรรมทุกกะ140ความเป็นผู้ไม่สันโดษในธรรมที่เป็นกุศลความเป็นผู้ไม่ท้อถอยในความเพียร41วิชาทุกกะ141ความรู้แจ้งความหลุดพ้น42พระเยยาณทุกกะ 142ยสานในอริยมรรยานในอริยผลสุตตันติกะทุกกะมาติ ก, กาจบมาติ ก, กาจบ